แก่ย่วัดหนึ่งซุ้มประตูจะมีข้อความแกะสลักเป็นไม้แกะสลักลงในไม้เป็นข้อความใหญ่ต้นแบบนี่เขเขียนโดยลายมือของพระรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อในด้านนี้คือคนญี่ปุ่นนี่เขาจะให้ความสมพั์กับการเขียนตัวอักษรด้วยภูกันเป็นศิลประชั้นสูงข้อความ ที่ไปติดอยู่บนซุ้มประตูนั้นก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจเขาเล่าว่าเป็นผลงานของอดีตเจ้า ว, วาดชื่อว่าโคเซนท่านมีความสามารถในเรื่องการเขียนตัวอักษรได้พูดกันจีนมากก็ตอนที่ท่านเริ่มเขียนข้อความพี่ว่าเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ด้วย เดี๋ยวก็ช่วยคนช่วยทำหมึกให้นะด้วยการขูดแล้วก็มันก็จะเป็นหมึกขึ้นมาลูกศิษย์คนนี้ไม่ใช่แค่เป็นลูกมือเฉยแต่ว่าเป็นคนที่มีสายตาที่เฉียบคมตอนที่ท่านเจ้าวาดเขียนครั้งแรกนี่ลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่สวยท่านก็เลยเขียนใหม่เป็นแผ่นที่สองลูกศิษย์บอกแย่กว่าเดิมท่านก็เลยเขียนแผ่นที่สาม ลูกศิษก็ก็กยังตำหนิว่ายัางไม่ดีท่านก็เขียนอี ก, กบอกว่าเขียนไปถึง80ดแผ่นก็ยังไม่ดีก็พอเพอิญพอเขียนมาถึง80แผ่นลูกศิก็มีธุระออกไปข้างนอกตอนที่ลูกศิษออกไปข้างนอก น, นี้ทา่านก็ก็รู้สึกขึ้นมาเลยว่าเออไม่มีใครอยู่แล้วนะตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้เขียนให้เต็มที่สักที ตอนนั้นใจนี่ท่านไม่มีกังวลแล้วใจไม่ได้คิดถึงลูกศิษย์แล้วเพอลูกศิษย์ไม่อยู่เป็นช่วงที่ใจนี้มีสละไรกังวลท่านก็เลยตวัดผูกกันนะอย่างเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็เสร็จลูกศิษย์ไปไประเดี๋ยวเดียวกลับมาเอาเห็นอาจารย์เขียนเสร็จแล้ว ลูกสิทธิชมมากแล้วก็เป็นตัวอักษรที่งดงามมากที่สุดที่เขาเคยเห็นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของอแผ่นป้ายบนซุ้มประตูนั้นอาจารย์ท่านนี้ท่านก็มีฝีมือมากนะแต่ว่าท่านจะเขียนได้ดีที่สุดก็เมื่อไม่กังวลเมื่อใจเป็นอิสระกังวลพ่ออะไรกังวลก็พ่อมีคนอยู่ด้วยกังวลสายตาของคนที่อยู่ด้วย ถึงแม้จะเป็นแค่สิทธ์นะแต่ว่าคนเราพอไปกังวลไปคำหนึงถึงสายตาคนอื่นแล้วมันก็จะเรียกว่าเกิดอาการเกรงหรือไม่เป็นธรรมชาติก็ได้แต่พอเราไม่สนใจเขาหรือไม่มีเขาอยู่ด้วยนี่มันก็จะเป็นอิสระได้เวลาเราทำงานหรือว่าเรียนหนังสือก็ตามเราคงสังเกตได้ว่าถ้าเราทำ โดยคำนึงถึงสายตาของคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาจ้องอยู่เราจะรู้สึกแล้วว่ามันมันไม่เป็นอิสระแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่คำนึงถึงสายตาของเขาว่าเขาจะชมหรือจะเชียร์หรือว่าจะตำหนิความสามารถที่เป็นธรรมชาติก็จะออกมามันพลั่งรัวออกมานักเรียนที่ไปสอบเวลาสอบโดยที่ไม่นึกถึงใครเลย นึกถึงแต่ข้อสอบมันจะทำได้ดีนะแต่ถ้านึกถึงคนที่เขาจะคอยตาหนิหรือจะคอยพูดถึงผลสอบของเราไม่ว่าชมหรือว่าตำหนิก็ตามเนี่ยจิตมันจะไม่เป็นธรรมชาติและความสามารถมันก็จะไม่ออกมามันก็มันถูกบล็อกเอาไว้มันก็เหมือนกับนักกีฬานะนักกีฬาที่เวลา ซ้อมโดยไม่มีใครอยู่ด้วยนี่มันจะอาจจะซ้อมได้ดีกว่าตอนที่มีมีผู้ชมอยู่เยอะแยะเพราะว่าไปกังวลจิตที่มีความกังวลถึงสายตาของคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นจิตที่ไม่เป็นปกตินะจะเรียกว่าเป็นจิตที่เจือไปด้วยทุกข์ก็ได้มันก็เลยสกัดกั้นไม่ให้ความสามารถที่มีอยู่ออกมาเพราะว่าเพียงแค่คาดหวังว่าจะให้เขาชม หรือเพียงแค่กลัวว่าเขาจะตาหนิความคาดหวังจะให้เขาชมนี่มันก็ทำให้จิตเนี่ยมันเรียกว่าเกรงหรือว่าถูกบีบคั้นถ้ามีมากๆก็เป็นจิตที่ไม่เป็นปกติสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติมันก็ไม่สามารถจะออกมาได้ยิ่งเวลาเราทำงานหรือเรียนหนังสือก็ตามพยายามวางพยายามปล่อยวางความคิดคำนึงถึงคนอื่น ไม่ว่าเขาจะมาชมหรือเชียร์ก็ตามให้ใจเราอยู่กับ ง, งานจริงๆแต่เวลาเรียนหนังสือนี่มันก็มีปัญหายอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามันมืนก็มีคู่แข่งด้วยมันไม่ใช่แค่มีคนชมหรือคนเชียร์ที่บ้านอย่างเดียวแต่ว่ามันมีคู่แข่งในห้องด้วยพอไปคิดถึงคู่แข่งแล้วมันก็ทุกเหมือนกันนะอันนี้ก็อยากจะให้ฟังเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ประเทศอเมริกาเนี่ย มันจะมีเรีอกเป็นประเพณีก็ได้คือประเพณีแข่งขันสะกดคำคำภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเอ่ยคำคำนี้ออกมาจะมีสองพยางสามพยางสี่พยางห้าพยางก็แล้วแต่คนที่เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องสามารถสะกดคำได้ถูกต้องประเพณีนี้มีมา 70-80 ปปีแล้วแล้วก็ มีนักเรียนเข้าแข่งขันในปีหนึ่งนี่หลายสิบล้านคนทั่วประเทศอเมริกาเขาชื่อว่าสเปริ่ B บีบีนี่คือพึ่งเปลี่ยนเมือนกว่าเด็กหลังนี้เหมือนกับพึ่งพึ่งที่เก็บสะสมคำมาไว้อยู่ในหัวพอพูดปั๊บก็สะกดมาได้ทันทีเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการประกวดรอบสุดท้ายจาก10กว่าล้านคนเขาก็คัดมาเหลือแค่10คนแล้วก็มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ จัดแข่งขันในห้องประชุมใหญ่คนเป็นพันปีนั้นเนี่ยก็มีตัวเก่งคนหนึ่งชื่อว่าซามีส่วนใหญ่คนที่เข้าผ่านรอบคัดเลือกได้นี่มักจะเป็นเด็กเด็กต่างด้าวหรือว่าเด็กรู่ผส ม, มะนะหรือบางทีก็เป็นเด็กจากทวีปอื่นเป็นอินเดียบางเป็นจีนบ้างเกาหลีบ้างปีนั้นก็มีซามีซามีนี่ก็เป็นตัวเก่งลำดับ1แล้วก็ตัวเก่งอลำดับ2ตัวเต็งเนี่ยันดับ2คือลาชีฟ พอและแม่ก็เป็นแขกแล้วแต่ว่ามาเกิดในอเมริกาสามีตัวเตงอันดับหนึ่งราชีเบออันดับ2แต่ปรากฏว่าสามีเนี่ยพอมาถึงคำคำหนึงเนี่ยตกรอบสะกดผิดไปตัวหนึ่งก็ตกรอบราชิเบอเลยได้มาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งก็เป็นความฝันของเขาเพราะว่าเขาแข่งมาหลายปีแล้วก็มีนักข่าวก่อนที่จะถึงรอบตัดเชือกว่าใครจะเป็นแชมป์ ก็มีนักข่าวไปไปสัมภาษณ์ราชีว่าดีใจไหมนะที่สามีตกลอก้อเพราะสามีนี่คือตัวเต็งอันดับหนึ่งเลยราชีบอกว่าไม่เลยครับไม่ดีใจเลยครับเพราะว่าผมแข่งกับคำนะผมไม่ได้แข่งกับคนพอพูดอย่างนี้เข้าคนทั้งห้องประชุมก็ตบมือกันสนันเลยแข่งกับคําไม่ได้แข่งกับคนคือเขาไม่ได้มองว่าสามีนี่เป็นคู่แข่งเลย เพราะว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยคือว่าทำไงถึงจะปลูกปั้มกับคําที่มัน ย, ยากๆนี้ให้มันถอดรหัสออกมาให้ได้เขาไม่ได้คิดเขาแข่งกับคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นคำพูดที่มันกระทบใจผู้ชมมากผู้ชมไหนก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่มักจะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งเวลาทางานนี่ก็จะเห็นคนอื่นเป็นคู่แข่งตลอดเวลาแต่สามีเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาไม่สนใจคนอื่นเลยเขาสนใจแต่ว่า ไอ้คำแต่และคำที่ออกมานี่มันจะสะกดยังไงเมื่อทำเช่นนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่ไม่มีความสึกดีใจที่เพื่อนตกรลอออันนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่สำคัญมากเพราะเวลานี้เราทำงานเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยเราก็จะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งตลอดเวลาแล้วเราก็มีความทุกข์แล้ในใจเราก็คอยแช่งให้เขามีอันเป็นไปอยากจะให้เพื่อนนี้สอบได้ไม่ดี เพื่อที่เราจะได้เป็นที่หนึ่งหรือว่าอยากจะให้เพื่อนมีอยู่ประสังในการทํางานเพื่อว่างานของเราจะได้โดดเด่นกว่าคนอื่นมันจะมีความอิจฉาลึกซึ้งและมันจะมีจิตที่เป็นอกุศลตามมาคือขอให้เขาเจงขอให้เขาลําบากขอให้เขามีอยนเป็นไปถ้าจิตเช่นนี้นก็จะทําให้สั่งสมความคิดที่ไม่ดีเอาไว้และพอเขาได้ดีเราก็ทุกนะ ชั้นนั่งที่เราควรจะยินดีเพราะเขาเป็นเพื่อนเราแต่ว่าเขาได้เลื่อนตําแหน่งมากกว่าเลื่อนขั้นมากกว่าเราก็ทุกเพราะตลอดเวลาเราคิดว่าเราแข่งกับเขาแต่ว่าอย่างราชีมนี้เขาไม่ไ ม, ไม่รู้สึกหวั่นไหวเลยเพราะว่าในใจตั้งแต่แรกเขาไม่ได้คิดว่าเขาแข่งกับใครอยู่แล้วก็ไม่ได้แข่งกับคนเขาแข่งกับคำไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นคติในการทํางานที่สําคัญมากและเป็นคติในการดําเนินชีวิตด้วย สองเรื่องที่พูดมานี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่เขาทางานโดยที่ไม่ไม่เอาคนมาอยู่ในความคิดอย่างอาจารย์คนแรกเนี่ยอาจารย์โคเซ์นเนี่ยนะทำงานได้ดีเมื่อไม่มีใครอยู่ในความคิดไม่มีใครอยู่ในสํนนึกของเขาไม่ได้อยู่รอบตัวอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้นึกถึงใครด้วยพอไม่ได้นึกถึงใครมันก็ทำงานได้ดีแต่ว่าในกรณีแรกเนี่ยมันมีเพราะว่า ใ้ใครคนนั้นเพื่อไม่อยู่ในที่นั้นด้วยก็เลยไม่นึกถึงเขาได้ง่ายใจก็เป็นอิสระแต่ว่าราชีมนี่ถึงแม้มีใครอยู่รอบตัวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคู่แข่งเขาไม่ได้นึกถึงคนเลยนะเขาคิดถึงคำเวลาเราทำงานนี่ให้เรานึกถึงงานมันจะดีมากเลยทำงานก็นึกถึงแต่งานปลุกปั้มอยู่กับงานไม่ต้องสนใจใครทั้งสิน้น ว่าเขาจะเชียร์หรือไม่เชียร์ไม่สนใจว่าเขาคือคู่แข่งของเราไม่มีคำว่าคู่แข่งอยู่ในหัวไม่มีคำว่ากองเชียร์อยู่รอบตัวใจอยู่กับงานคอยคิดว่าเอองานมันจะแก้อย่างไรจะทำให้ดีได้อย่างไรจะทำให้ดีที่สุดได้อย่างไรคนจะเชียร์หรือไม่เชียร์นั้นเราไม่สนใจเราทําให้ดีที่สุดใจเราอยู่กับงานถ้าเราทาวางใจแบบนี้เหมือนกับว่า ทำงานคนเดียวแม้ว่าอยู่ท่ามกลางคนทั้งโลกใจเราจะมีสมาธิมากพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าอยู่หลายคนก็มันก็อยู่คนเดียวเวลาเราทำงานหลายคนเนี่ยให้เราลองนึกเหมือนกับว่าเราทำงานคนเดียวไม่มีใครที่คอยเฝ้ามองว่าเราจะทำงานอย่างไรผลจอมมาอย่างไรไม่มีใครที่จะเป็นคู่แข่งกับเราทำงานกับคนร้อยคนก็เหมือนกับทำคนเดียวคือจิตนิ่งอยู่กับงาน จิตเป็นสมาธิอยู่งานทําการบ้านก็เหมือนกันทําข้อสอบก็เหมือนกันแข่งกันร้อยคนเพื่อที่จะเข้ามหาวิวทยลัยแต่เราในใจตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ากําลังอยู่คนเดียวทําข้อสอบจิตใจเป็นสมาธิอยู่กับข้อสอบที่ทำํำพอจิตใจจดจ่อยอยู่กับกับสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นงานก็ดีเป็นการบ้านก็ดหีหรือข้อสอบก็ดีเนี่ยมันจะเป็นสมาธิและความสามารถสติปัญญามันก็จะพลังออกลวงมา ก็จะมีความสุขด้วยทางานมันมีความสุขได้นะทำงานมีความสุขแล้วก็ออกมาดีด้วยเราเคยสังเกตไหมเวลาแข่งฟุตบอลระดับนัดสําคัญเนี่ยแล้วก็เกิดว่าฝ่ายหนึ่งเกิดไปทําฟาวในเขตโทษเราต้องมีการยิงลูกโทษการยิงลูกโทษเนี่ยเป็นวิธีเข้าประตูที่ง่ายที่สุดละยิงตรงจุดโทษเนี่ยเป็นวิธียิงให้เข้าประตูง่ายที่สุด แต่ทำไมนัฟุตบอลระดับโลกหลายคนเนตะไม่เข้าไม่ใช่โกเก่งนะโกรับไม่ได้เด็ดซ้ําแต่ว่าเตะออกนอกกรอบไปเลยอที่เตะไม่เข้าเพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยมันมันนึกถึงคนคนดูที่อยู่รอบไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์หรือว่ากองเชียร์ฝ่ายตัวเองหรือกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามพอไปคิดถึงสายตาของคนอื่นจะเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านก็ตาม พอไปคำนึงถึงสายตาของเขาเนี่ยมันไม่มีสมาธิแล้วคนที่จะเตะเข้าคือคนที่ไม่รู้สึกไม่คำนึงเสมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ในสนามฟุตบอลเลยทั้งสนามมีแต่ตัวเขากับลูกบอลแค่นั้นเองคนที่ทำใจแบบนี้ได้นี่มีแต่เขากับลูกบอลเท่า น, นั้นแหละไม่มีคนอื่นอยู่ในที่นั้นเลยก็จะสามารถเตะเข้าได้ง่าย เพราะว่าเตะอย่างงี้มาซ้อมอย่างงี้มาเป็นพันครั้งแล้วก็มาเจออีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นไหลไปคนที่วางใจแบบนี้คือไม่มีใครอยู่ในความรับรู้ของตัวมันก็ไม่มีใครอยู่ในสนามเลยจะเตะได้สบายมากนี่คือความต่างกันระหว่างนักฟุตบอลนะที่ทําใจเป็นกับทําใจไม่เป็นแลการการทำงานการทําแล้วก็ตามเสมือนกับว่า มีแต่เรากับงานเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะไม่มีใครคนอื่นอยู่ด้วยเลยในความคิดคาหนึ่งมันเป็นศิลปะของความสําเร็จได้แต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะมันต้องนอกจากจะไม่มีใครคนอื่นแล้วต้องไม่มีแม้กระทั่งตัวเราด้วยไม่มีแม้กระทั่งตัวเราคือไม่มีตัวกูอยู่ด้วย เพราะถ้ามีตัวกูอยู่เมื่อไหร่เนี่ยจิตมัน ก, ก็ยังวันไหวอยู่เป็นแต่ลูกโทษเนี่ยแต่ลูกโทษที่มีตัวกูอยู่ว่าถ้ากูเตะไม่เข้าคนก็จะลุมปัญนาว่าแค่ง่ายๆแบบนี้ยังไม่เข้าคนที่เก่งๆเนี่ยมันกลัวลูกง่ายๆเพราะถ้าเตะเข้าก็เสมอตัวเตะไม่เข้านี่ก็ดุดา่าแต่ลูกยากๆนี่ยังถ้าเตะเข้าก็ยังได้รับคําชมเตะไม่เข้าคนก็ไม่ว่าอะไรเพราะลูกมันยาก ถ้าู้ง่ายๆแตะไม่เข้านี่เสมอตัวเพราเตะเข้าเสมอตัวเตะไม่เข้าทุกดา่ามันก็เลยเตะไม่เข้าเพราะมันกลัวมันมีตัวกวูเป็นผู้หวั่นไหวเป็นผู้วิตกกับการที่จะเตะไม่เข้าคนเราเนี่ยจะทุกเนี่ยนะในเรื่องแตก็ตามเนี่ยมันทุกเมื่อมีตัวกูกนะหรือของกูเวลาของหายเนี่ยถ้าเป็นของของคนอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยทุกเท่าไหร่เราเฉยเฉย แต่ทันทีที่รั่วนี่เป็นของกูเราทุกทันทีเลยเวลาได้อ่านข่าวคนตายตามหน้าหนังสือพิมพ์อุบัติเหตุตา่างๆเนี่ยเราอ่านก็เฉยๆแต่พอรู้ว่าคนตายนี่เป็นญาติของกูเป็นเพื่อนของกูนะหรือว่าเป็นคนในบ้านเดียวกับกูพอมันมีคําว่า ก, กูอยู่ทั้งนั้นแหละนะมันทุกทันทีเลยมันเปลี่ยนไปเลยจากความรู้สึกเฉยๆเป็นความเศร้าโศกผูกฝ่าย คนเราทุกเนี่ยทุกครั้งนะเมื่อมีตัวกูขึ้นมาเสมออะไรก็ตามที่เป็นของฉันของกูหรือตัวกูนี่จะเดือดร้อนถ้าเป็นกับคนอื่นเราเฉยๆอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเมื่อวานถ้ามีคนตายแล้วอีกคนนึงเศร้าโศกเราก็แนะนำเขาได้นะว่าต้องทำอย่างงน้นทำอย่างนี้เ็าตายไปแล้วอย่าไปห่วงกังวลได้เล ย, เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น พ่อของตัวเองตายโอ้มันจมอยู่ในความทุกข์ใครมาแนะนาก็ไม่ไม่ฟังไอ้ที่เราแนะนำที่เคยแนะนำคนอื่นได้ก็เอามาแนะนำกับตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวกูของกูแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะทาให้ตัวกูนี่มันไม่เกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ขนาดนั้นอย่างเช่นเวลา มีคนตำหนิเราเราจะทุกทันทีเมื่อเราคิดว่าเขาว่ากูเขาว่ากูแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่มีตัวกูอยู่มันก็ไม่ทุกนะเช่นไปมองว่าที่เขาพูดมานี้มันจริงไหมมันมีความจริงหรือเปล่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นคิดแบบนี้มันไม่มีตัวกูอยู่เลยนะมันก็ทำให้ไม่ทุกแล้วก็ทำให้ได้ประโยชน์ด้วยเพราะมันเป็นการเพิ่มปูนปัญญาทาให้เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เวลาทักคนแล้วเขาไม่ทักเราถ้าคิดว่าเขาไม่ทักฉันเขาไม่ทักกูมันทุกเลยนะแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าเอ๊ยเขาเป็นอะไรไปนะเขาไม่สบายหรือเปล่านะทำไมเขาถึงหน้าบึ้งอย่างนั้นคิดแบบนี้ไม่มีตัวกูอยู่เลยนะมันมีแต่ความคิดถึงคนอื่นมันก็ไม่ทุกนะแม้เวลาเราทำงานทำงานให้ได้ดีทำให้เต็มให้เต็มที่โดยไม่ได้คิดว่า ถ้าไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรือว่าถ้าฉันทำดีจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันไม่คิดตรงนี้อยู่ไม่มีตัวกูเป็นผู้ที่จะรับผลของการกระทำนั้นมันก็ทำได้ดีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะพยายามอย่าให้ตัวกูเกิดขึ้นแม้แต่เวลาของหายเงินหายเรคิดว่าเงินกูหายเนี่ยทุกเลยนะแต่ถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งว่าเออ ถ้ามีคนเก็บได้เขาก็ได้ประโยชน์นะคนที่เขาเก็บได้ก็าอาจจะเป็นคนจนก็ได้ก็าอาจจะกำลังเจ็บป่วยก็ได้พ่อแม่เขาอาจจะกลังเดือดร้อนก็ได้การคิดแบบนี้มันไม่มีตัวกูอยู่ไม่มีของกูอยู่เลยคิดแบบนี้มันก็ไม่ทุกนะนวิธีการวิธีหนึงที่ทําให้ตัวกูไม่เกิดขึ้นก็คือการนึกถึงคนอื่นทําไมเขาเดือดร้อนทําไมเขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาหน้าบึ้งอย่างนั้นหรือว่าเออเขาเก็บได้ก็ดีนะ จะได้เป็นประโยชน์กับเขาหรือที่พูดถึงเรื่องเด็กที่เอาปืนยิงพระเนี่ยมันจะทุกทันทีถ้าบอกว่าเด็กตัวเล็กๆทําไมมาทํางี้กับฉันฉันเป็นพระนะแกเป็นเด็กทําไมไม่มีสมมาคา ร, ค ร, รวะที่แบบนี้โกรธเลยนะแต่ถ้ามองว่าเออเด็กนี่มันไม่รู้เดียงสานะก็ทําไปตามภาษาคิดแบบนี้ไม่มีตัวกูอยู่ในอยู่ในความคิดเลยตัวกูมันเกิดขึ้นไม่เกิดมันอยู่ที่ใจเราว่าเราคิด คิดถึงตัวเองหรือเปล่าหรืออย่างที่ผู้เล่า น, น้องโยเนี่ยน้องโยคงจําได้ที่เป็นเด็กเจ็บวดแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ร้องเลยตั้งแต่ที่ขาเละาแหลกหมดน้องโยทนความเจ็บได้เนื้อมนุษย์มากแล้วเขาคิดถึงป้ากลัวป้าเสียใจในตอนนั้นนี่ไม่มีคําว่าตัวกูอยู่ในความคิดของน้องโยมีแต่ป้าอยู่ในความคิดคำหนึง แต่คนเราถ้ามีตัวกูอยู่เนี่ยเพียงแค่รอยขีดรอยควนที่แขนที่ขามก็ทุกข์แล้วนะตายแล้วนะกูจะไปต่อไปนี้ก็จะเสียโฉมแล้วนะกูจะมีแผลเป็นแล้วนะหรือว่าแล้วเดี๋ยวแม่เห็นกูเป็นอย่างนี้จ ะ, จะว่าอย่างไรล้วนะมันมีตัวกูอยู่เต็มเป่าเลยมันก็ทุกข์นะวิธีการที่จะไม่ให้มีตัวกูเกิดขึ้นก็คือการนึกถึงคนอื่นอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลย ในพุทธศาสนาเนี่ยถึงเน้นเรื่องการให้ทานเพราะการให้ทานก็เป็นการพยายามที่สลัดตัวกลัวไปคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่ครนี้เนี่ยมันจะมีวิธีที่ลึกไปกว่านั้นนะที่จะทำให้ตัวกูไม่มีได้ก็คือการมีสติพอเรามีสติเมื่อใดเนี่ยตัวกูไมันไม่เกิดนะเมื่อมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูไม่เกิดเมื่อเรามีสติอยู่การเดินเนี่ยมันไม่มีผู้เดินนะ เมื่อเรามีสติขณะที่เกิดความเครียดขึ้นมามันมีแต่ความเครียดไม่มีผู้เครียดเพราะว่าสติทําให้ไม่มีตัวกูเข้ามาเป็นเจ้าของความเครียดนั้นมันมีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินมีแต่ความเครียดแต่ไม่มีผู้เครียดมีแต่ทุกขเวทนาแต่ไม่มีผู้ทุกขเวลาป่วยเวลามีแผลเวลามีอะไรมากระทบกายถ้าไม่มีสติมันก็จะรู้สว่าฉันเจ็บฉันเจ็บฉันป่วยฉันป่วย แต่ถ้ามีสตินะความเจ็บความป่วยนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไปแทนตรงนี้เนี่ยนะผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะเห็นเองว่าเออแต่ก่อนเราโง่นะเวลาโกรธเวลาโมโหวเวลางุดหงิดนะมันก็ไปรับเอาความหงุดหงิดมาเป็นของชั้นมาเป็นขอ ง, ของกูด้เลยเป็นผู้กลัวเป็นผู้หงุดหงิดแทน แต่ถ้าเรามีสติเราก็เห็นมันมันเกิดขึ้นในใจความปวดเกิดขึ้นที่กายความเครียดเกิด ข, ขึ้นที่ใจแต่ว่าไม่มีฉันเป็นผู้โกรธไม่มีฉันเป็นผู้ปวดไม่มีฉันเป็นผู้เมื่อยนี่เป็นวิธีการสลายตัวตนที่ดีที่จริงตัวตนมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วนะมันไม่ต้องสลายหรอกเพราะมันไม่มีตั้งแต่แรกแต่เพราะมันหลงมันก็เลยสร้างตัวตนขึ้นมา แต่พอเรามีสติไอการหลงที่บปรุงว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่มีคนเรานี่หลงอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีรู้ก็ยังปล่อยให้หลงนะเช่นเราจะสังเกตเห็นรถบางทีรถสีเขียวก็เขียนสติ๊กเกอร์ติดว่ารถคันนี้สีดําบางทีรถสีดําก็เขียนสติ๊กเกอร์ว่ารถคันนี้สีขาวอันนี้เป็นคือการหลอกตัวเองนะแบบชัดๆเลย แล้วก็เชื่อสิ่งที่หลอกด้วยนี่ก็เป็นความหลงที่เราเห็นได้แต่ว่ามันมีความหลงที่มันทำโดยไม่รู้ตัวอีกเยอะนะโดยเพราะการหลงรุงว่ามีตัวตนแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันคือมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ความหลงมันไม่มีเพราะว่าความรู้สึกตัวลึกสัมปชัญญนะนั้นมันเป็นปฏิปักกับความหลงสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงนะพูดง่ายๆแบบนี้ นั่นคือเราเจริญสติกันเนี่ยก็เพื่อให้มีความระลึกได้อยู่อย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่องระลึกได้ในเรื่องอะไรก็ระลึกได้ในเรื่องกายและใจมีแค่นี้แหละอย่างที่เราสอนเมื่อกี้นี้สัมมาสติก็คือสติปัฏฐานสติมันมีหลายหลายแบบมีมิจฉาสติก็มีสัมมาสติก็มีถ้าสัมมาสติก็คือคามระลึกได้ความจําได้จําได้ในเรื่อง2เรื่อ ง, งนั้นแหละคือเรื่องกายเรื่องใจ ถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่ไม่เรียกว่าสัมมาสติอย่างเช่นบางคนจําตัวเลขได้เก่งมากจําเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้เป็นพันเบอร์นักเรียนนี้ก็มีความจําเก่งในหลายเรื่องแต่เป็นการจําเก่งในเรื่องนอกตัวแล้วถ้าเป็นเรื่องกายเรื่องใจแล้วก็วกเผลอง่ายลืมง่ายอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะถ้านักเรียนจะจําเก่งจริงๆต้องจําเก่งทั้งเรื่องนอกตัวแล้วก็เรื่องตัวเองด้วยเรื่องตัวเองนี่หมายความว่า ไม่ใช่จำว่าใครทำให้ฉันเจ็บแสบใครมาทำให้ฉันเจ็บปวดอันนั้นไม่ใช่นะนั่นก็นอกตัวเหมือนกันบางคนที่จำได้ดีนะใครว่าฉันเมื่อ10ปีที่แล้วก็ยังจำได้ใครยืมเงินฉันไป20ปีก็ยังจำได้นะอันนั้นเป็นเรื่องนอกตัวจำได้ในเรื่องตัวเองคือว่ามันเผลอปุ๊บลู้ปับเผลอปุ๊บลุ้บปับกลับมาอยู่ปัจจุบันได้กาลังอ่านหนังสือหยุดใจมันได้ไปออกไปข้างนอก ระลึกได้ว่ากําลังอ่านหนังสืออยู่กลับมาระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจคือระลึกได้ในปัจจุบันระลึกได้ในเรื่องนอกตัวนี่ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องอดีตและอนาคตแต่ระลึกได้ในเรื่องตัวเองเนี่ยในเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยมันจะเป็นการระลึกได้ในปัจจุบันซึ่งไวมากเพราะปัจจุบันปเป็นแค่แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเท่านั้นเองนักเรียนก็ถูกฝึกมาในเรื่องการจําเรื่องเนอกตัวมาเยอะแล้ว เราก็จำได้นานแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำเพิ่มคือการระลึกได้ะระลึกรู้ในกายและใจที่เป็นปัจจุบันในแต่ละขณะแต่ละขณะขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่ก็อยู่กับตรงนี้แต่แน่นอนมันก็เผลอได้มันก็ลืมได้ลืมได้เราก็จำได้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กลับมาระลึกได้ว่ากำลังโกรธอยู่ระลึกได้ว่ากำลังโมโหอยู่นี่คือรู้ใจรู้ว่าทาอะไรอยู่ อันนี้คือรู้กายอาบน้ําอยู่ก็รู้กาลังอาบน้ําไม่ใช่ว่าเลืมไปไม่รู้ไปไหนแล้วไปคิดน่นคิดนี่ฟุ้งปรุงแต่งงั้นถ้ามีสติรู้แบบนี้นี่อย่างต่อเนื่องเนี่ยธรมปัญญาก็จะตามมาความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรารื่รู้ในกายและใจอยู่เสมอไม่ลื่อมกายไม่ลื่มใจความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นเราเรียกว่าใจอยู่กับนึกกับตัวใจอยู่กับนึกกับตัวคือใจไม่ลอยแล้วก็ใจไม่เข้าไปหมกมุ่นในความคิด เมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความรู้สึกตัวมันไม่เผลอมันไม่หลงมันก็ไม่ฟุงเป็นตัวตนขึ้นมาในยามที่เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยตัวกูไม่เกิดตัวตนไม่เกิดแล้วถ้าเรามีสมาธิดีจิตอยู่กับงานมันก็ไม่มีคนอื่นอยู่ยในความคิดด้วยไม่มีทั้งคนอื่นแล้วก็ไม่มีทั้งตัวกูอันนี้สาคัญมากทางานก็ดี ทำแล้วก็ตามไม่มีทั้งตัวกูเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีทั้งคนอื่นอยู่ด้วยในความคิดมันไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้ทั้งตัวกูมีแต่ ง, งานกับการทํางานเท่านั้นเองและตรงนี้เนี่ยมันเป็นศิลปะมากนะอยู่ในโลกนี้โดยที่ <c oughs> เหมือนกับอยู่คนเดียวทํางานในโลกนี้เหมือนกับทางานคนเดียวแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นแม้กระทั่งตัวกูก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกับไม่มีตัวกูอยู่เลย มันว่างเปล่าว่างเปล่าทั้งคนอื่นว่างเปล่าทั้งตัวเองอันนี้เป็นสุดยอดเลยนะคนที่เขาเป็นศิล ป, ปินหรือว่าเป็นผู้รู้จะเป็นนักยิงธนูจะเป็นนักวาดนะที่สุดยอดเนี่ยเวลาเขาวาดเวลาเ้าทำงานมันไม่มีใครอยู่ในความคิดไม่มีแม้กระทั่งตัวกูอยู่ในความคิดด้วยมันเป็นความว่าง ที่ทำให้เกิดผลงานสร้างสารรค์ที่สุดยอดมากจะให้เรารู้จักตรงนี้ไว้ด้วยแม้ว่าจะยังทําไม่ได้แต่ให้รู้ว่าการทําแบบนี้มันก็มีอยู่และทําได้ซึ่งต่างจากความเข้าใจของปัจจุบันที่ว่ามันต้องมีตัวกูเต็มที่เลยจะทําอะไรก็ต้องมีตัวกูศิลปินบางคนประกาศว่ากูคือศิลปินกูคือศิลปิน ถ้ายังมีความคิดว่ากูคือศิลปินอยู่มันก็ไม่มีทางที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ถึงแม้จะขายได้ราคาแพงๆเป็นแสนเป็นล้านก็ตามแต่มันก็ยังไม่ถึงเรืองเป็นสุดยอดของศิลปินเพราะศิลปินที่สุดยอดไม่มีตัวกูคนที่วาดภาพที่งามที่สุดในโลกพระพุทธรูปที่งามที่สุดในโลกนี่เราไม่เคยรู้เลยว่าใครทำใครหลอ่อพระพุทธชินราชนี่ไม่มีใครรู้เลยว่าใครหลอ่อ เพราะคนหลอนี่ก็ไม่มีตัวกูอยู่ตั้งแต่แรกพล้ถึงหลอได้งดงามมาก